นนี้มีการจะเริ่มเก็บให้ผู้ใหม่ต้องเข้าเก็บอารมู์ดูช่วงบ่ายนะต่ช่วงเช้าหลังจากที่ได้ทาพุรธชนตัวทนาหาทันธรรมรสุตตัวเสร็จจะให้มานั่งปฏิบัติกรมุมกันที่นี่เพื่อที่จะเรียบเรียงการเปลี่ยนยีบทเพราะทีนี้เราได้ข้อมูลเพียงพอแล้วว่า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 แต่การที่เรายังไม่เปลี่ยนแปลงหรือไม่มั่นใจเต็มที่เพราะหลักฐานข้อมูลต่างๆเรายัางไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นสองสาวันวันนี้เราพยายามเรื่องทำเรื่องนี้ว่ า, าความเพลินมาจากความรู้สึกสบายที่เราชอบแล้วเราก็แชร์นีอันนี้เป็นหลักฐานชัดเจนแล้วอันที่สอง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 คามมีได้หมายว่าเราปฏิเสธความสบายแต่เรารู้จักประมาณพุทธเจ้าที่ใช้คำว่ากา마สังวรคือระวังในสิ่งที่เราจะไปเปลี่ยนความสบายเป็นความอยากต้องระวังความอยากความสบายไม่เป็นพิษภยัยแต่ถ้าเมื่อใดความสบายเปลี่ยนไปเป็นความอยากนั่นคือตัวสมุทัยละซึ่งตัวการเปลี่ยนตรงนี้ ตัวความสบายที่เราแช่เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นความอยากเนี่ยมันละเอียดมันแนบเนียนมากด้วยกฎของอนิจจังซึ่งมันครอบความชีวิตเรามาตลอดไม่รู้กี่ภพกี่ชาติไม่ใช่ชาตินี้เท่านั้นนั่นนั่นมันจึงเป็นเรื่องง่ายและล่อแหลมมากในการที่จะต้องเสกมันอย่ยว่าแต่ความรู้สึกสบายทางกายมันเริ่ ม, มแต่ความรู้สึกสบายทางตา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 สำหรับคนที่ยังมีวุตถิภาะวะทางจิตยังไม่สูงพอเขาก็ยอดั้งตกเป็นเหยื่อความอยากอย่างนี้ไปอีกเรื่อยๆไม่รู้กี่ภพกีชาติแต่ว่าแต่เมื่อเขาเกิดมาชาตินี้แล้วเขาควรจะได้ยินได้ฟังว่าอันนี้คือเหตุที่จะตั้งเปไว้บแวรแต่เกิดแต่น้นเมื่อคุณรู้จักเหตุแล้วทำไมคุณจะต้องทำซ้าๆในสิ่ง น, นั้นอีกทาไมจะไปห่อใจในรูปที่สวยอ่าแล้วก็เสียง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 อ่าแล้วก็เพลินก่อนเขาก็อินเตอร์เทนเราด้วยคำพูดดีๆ ด, ด้วยเสียงดีๆ ด, ด้วยดนตรีดีๆอ่าแล้วก็ไปเสพเราก็เสพแต่เราก็ไม่ได้ตระหนักรู้ว่าสิ่งนี้มันกําลังล่อเราไปนําไปสู่ความเพลินและความอยากกลิ่นก็เช่นเดียวกันนะเราอยู่ที่ไหนก็จะต้องบำเรอด้วยกลิ่นะถ้าคามันจะแพงขนาดไหนก็ตามเราจะซื้อน้ำหอมซื้อสบู่ซื้อ เสื้อผ้าซึ่งมันไม่มีกลิ่นแล้วเ็าต้องซื้อกลิ่นมาอบมาโรมมันแมแ่ไปอยู่ในรถเราก็จะต้องมีกลิ่นน้ำหอมบาเรอเอาไว้หัวเตียงนอนนะเพราะฉะนั้นเราได้ได้เขาเรียกว่าได้บาเรอในเสียงเหล่านี้เราทุวิทุวันอะเราจะมาศึกษาสั้นๆอย่างนี้โดยที่ไม่ลดที่ความเคลินของเหตุลงมันก็ยาก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 โดยเฉพาะที่เมืองไทยถือว่าเป็น land of the food นะเป็นทินเป็นแหล่งอาหารเป็น food bank ของโลกเลยทีเดียวดังนั้นหมายความว่าในประชาชนประชากรในประเทศนี้จะต้องเสพติดอาหารอย่างรุนแรงสามารถที่จะเอารถอันนี้ไปขายได้ทั่วโลกได้ดังนั้นเราก็จะต้องเพิ่มเขื่นในรถเพราะฉะนั้นในไม่ว่าที่ ตะวันตกรือวันออกที่ไปมาของที่จะเสพจะกินมีอยู่ทุกซอกทุกมุมไปซื้อมาไว้ทุกมุมไ ป, ไปนี่ก็เจอชาไปนี่ก็เจอของสําเร็จไะ น, นั้นก็เจอขิงเจอชาสารพัดรูปแบบเจอเครื่องชงโอวัออตินกาฟแฟทุกรูปแบบวางอยู่ทั่วไปตลอดถึงอาหารดูทุกหัวมุมของถนนไปหาซื้อกินได้ดังนั้นเองอันนี้มันก็มีความรุนแรงอีก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 เมื่อมันไม่ได้สัมผัสอย่างที่เคยก็เป็นเรื่องเป็นราวนะนะปัญหาที่เกิดขึ้นให้เราสร้างภาระแก่ประเทศชาตินะขอให้ได้พัฒนาดีๆนะไม่แต่จะจ่ายเงินสูงเท่าไหร่ก็ยอมลักษณะเนี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะต้านทานอำนาจของความเพลินและความอยากเพราะพัฒนาความสบายตาหูยจมูกริ้นกายใจนําไปสู่การชอบการชอบก็นําไปสู่การ ติดใจติใจก็นําไปสู่การเพลินเพลินก็นําไปสู่การเผลอเผลอก็นําไปสู่การหลงหลงก็ไปสู่การยึดนะแล้วการผัวพันในสิ่งนั้นดังนั้นเองเมื่อเราชัดเจนในข้อมูลงานะพิสูจนเนี่ยมันก็ออกมาอย่างเนี้ยตามที่มาพิสูจนมาสามสิสี่สิบปีแล้วเนี่ยมันไม่เป็นอื่นไปได้เลยก็จึง มั่นใจยืนยันว่ามันจะต้องมาในหลักอันนี้เราไม่สามารถที่จะหนีหลักความจริงที่พุทธเจ้าตรัสเอาไว้เลยเราพยายามที่จะหาทางอยากเยื่เปลี่ยนแปลงที่จะไม่ให้เป็นไปตาคมคำสอนพระพุทธเจ้าแต่ในที่สุดแล้วก็ไปไม่รอดก็ต้องกลับมาจุดนี้อีกดังนั้นเองในความเพลินเนี่ยมันจะออกมาสมมุติว่าเรานั่งปฏิบัติมันเพลินในความสบายที่เราได้กินอาหารอิม่ม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 แต่แล้วมาแก้ในส่วนที่เป็นกายแต่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เราบําเหนือยแล้อินเตอร์เทนตัวเองทุกวันตัวนั้นก็เป็นต้นเหตุที่สําคัญพอเราจะมาแก้ต้นความเพลินในการปฏิบัติเนี่ยมันจึงแก้ยากพยายามแก้พยาพยามระมัดระวังเท่าไหร่ก็ยังแก้ยากและที่สําคัญก็คือเราเพลินในการไอาอารมณ์เช่นแล้วไปนั่งสมาธิพอสงบขึ้นหน่อยเราก็เสพ แล้วก็สงบไม่ยอมนิ่งไม่ยอมเปลี่ยนไม่ยอมอะไรอันนั้นเขาเรียกเสพในอารมณ์สงบอีกยิ่งติดหนักเข้าไปอีกตรงนี้เองก็ทำให้คนเราความเข้มแข็งทางด้านสติปัญญาไม่พอเพราะเราไปเสพสุขเสพสมาธิจิตของเราก็จะอ่อนลงไปเรื่อยๆพอจิตอ่อนปับ๊บมีอะไรมากระทบกระแทกตามหลักของตรลักษณ์กำลังแห่งการก้านทานและทนต่อสิ่งนั้นก็ไม่พอ ในที่สุดในไหนก็ในไหนแล้วก็เสกมันต่อเลยเราเรียกว่าสมาธิเพราะฉนั้นฝ่ายฟาสซิสทั้งหลายก็ถือว่าสมาธิเป็นยาเสพติดเขาจึงไม่ให้มีทําให้คนหลงมงมงายเพราะฉะนั้นในอลัทธิว่าใยการเสกสุขในสมาธิก็เป็นเปียกเป็นน่อยทางด้านสติปัญญาก็ตกเป็นธาตุนะเพราะนั้นเองเราจะทําอย่างไรที่จะฟื้นฟู ต, ตัวเราเองก่อนเราไม่ได้อา่า หวังว่ามันจะเป็นไปได้ทั้งสังคมหรือทั้งชาติแต่เรื่องของการเวียนว่ายแต่เกิดเสวยทุก์ในภพชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวไข่โดมันมันช่วยกันไม่ได้ดังนั้นเลยเราก็จะต้องหาทิศทางเอาเองเราพยายามที่จะจัดการกับภพบชาติที่เป็นปัจจุบันให้ให้เป็นเสียก่อนภพนะชาติที่เป็นปัจจุบันก็มีสามภพนะการที่เรายินดีพอยใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสตามขั้นตอนต่ตางๆที่กล่าวมาเนี่ย เขาเรียกว่าการมาพบคือจิตใจเราฝักใฝ่ในเรื่องของความสุขความสบายความอยากทั้งหลายเนี่ยเรียกว่ากามาพบแต่เมื่ อ, อเราเกิดปัญญารู้ว่าความทุกข์มันเกิดจากการมาพบเนี่ยเวียดยวายแล้วก็เหนื่เหนื่อยไม่รู้จักจบสิน้นเราก็เกิดการเบื่อหน่ายในการ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 การทำจิตให้สงกระดับที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ยังเป็นรูปอยู่เขาเรรูปประชานเราก็จะพวกนี้ก็จะไปบำเริญตนด้วยนั่งสมาธินั่งสงบด้วยรูปแบบพิธีกรรมต่างๆนะเรียกว่าลัทธิศาสนา ก, ก็เข้ามาเพราะคนพยายามหนีเรื่องกรรมคาุณกรรมอาภพทั้งหลายหนีไปก็ไปติดความสงบนะในระดับของรูปคือเพ่งสายรูปสายรูปประชาน อาศัยนิมิตอาศัยสีแสงอาศัยความสงบอาศัยภาพจึงมีองค์มีเจ้ามีเทพมีนิมิตมีอะไรขึ้นมามากมายมีการเห็นสิ่งแปลกแปลกแต่างนี่เขาเรียกว่าเราก็จะพยายามที่จะไปสร้างจิตให้สงบก็ให้เกิดพบนั้นๆพบได้บพบความสงบเรียกว่ารูปประพบนะรูปประพบ แต่พวกที่เล่นทางรูปประพกก็เห็นว่ามันยังแปรปลวนเปลี่งแปลงเกิดเดับดับอยากจะทำให้มากกว่านั้นอีกก็ไปแสวงหาอํานาจพิเศษสูงขึ้นไปบํเาเพ็ญทางรูปประพกคือนับตั้งแต่ฌานที่ห้าถึงฌานที่แปดขึ้นไปอีกทําทให้ตัวรูปเนี่ยสลายหายไปเหลือแต่ว่างเหลือแต่ความที่ไม่มีอะไรว่างๆก็ถือว่าเราก็เอาจิตไปพึ่งนั้นพวกฤๅษีชีภัย ก็คืจะเป็นลูกอันนั้นอก็อบำเพ็ญสมาธิบำเพ็ญตาบะเพื่อที่จะเอารูปเหล่านัาเป็นที่พึ่งในที่สุดมันก็เปลี่ยนแปลงเมื่ออํานาจสมาธิอํานาจของความเข้มแข็งทางด้นร่างกายมันตกต่ำลงมาก็กลับมาที่เดิมเวียนก็อยู่นี่เขาเรียกพบทั้งสามนะออกจากวัตถุกรรมทั้งหลายก็ไปสู่ตัวสงบทางจิตออกจากสงบทางจิตไปเล่นถึงนพลังอํานาจ คลังศักิ์สิทธิ์ก็ออกมาเป็นวัฒนธรรมเป็นลัทธิเป็นศาสนาที่เร า, าเริ่มใสกันเพื่อจะได้วนอยู่ในภพเราเนี่ยมันก็ละเอียดขึ้นเรื่อยๆแต่นั้นเมื่อพระพุทธเจ้าท่านมาเห็นเนี่ยโอ้มันก็วนเวียนอยู่ไปเรียนจากท่านอาราระบุตรอุทธาระบุตรแล้วก็ยังไม่สามารถจะออกจากไ อ, อ, อ, อ, อความสุขในระดับจังแต่ยากรางละเอียดขึ้นมาได้การมาพบ เป็นความสุขขั้นหยาบรูปภพเป็นความสุขขั้นกลางอรูปภพเป็นความสุขขละเอียดมันก็ยังทําให้เพลินไในระดับทั้งสันกลางตา่ำกลาง ส, สูงขึ้นไปออกจากนี้ไม่ได้ในที่สุดพระองค์ทิ้งเลยทิ้งว่ามันไม่สามารถแต่ว่าลัทธิผู้สอนหาสูงสุดในสมัยก็มีอยู่แค่นี้ยวนก็อยู่แค่นี้ปัจจุบันก็จะมีอยู่แค่นี้ เมื่อผู้พระองค์มาประกาศเรื่องนี้ก็มีคนก่อนที่จะประกาศเรื่องท่านคนพบค้นหาวิธีออกด้วยตนเองก่อนท่านก็มาตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่ว่าเออว่าความทุกข์หรือพบทั้งหลายนี่มันเกิดจากอะไรเขาค่อยตั้งคําถามแล้วหาคาําตอบตั้งคําถามหาคำตอบไปเรื่อยๆแล้วนั่งอยู่ขณะเ น, นี้มีอะไรเขาค่อยตรวจสอบจากความจริงที่ปรากฏ โดยใช้กําลังสติปัญญาเป็นประสบการณ์ที่เานะมีมาบ้างแล้วเนี่ยนั่งเนี่ยมีความรู้สึกตั้งต้นเหมือนคนทุกคนอ่ะเหมือนกันหมดตั้งต้นใหม่ตั้งต้นตรวจสอบใหม่เราเกิดมานั่งตรงเนี้ยวันนี้ยมันเกิดมาจากอะไรอเกิดมาจากที่เราได้พัฒนากามาจากข้าวปราอานเติบโตมาและก่อนทีเ่เติบโตมาถึง ที่นี่และวันนี้อายุเท่าไหร่แลนะ้วสามสิบห้าตอนนั้นท่านออกมาท่านจะมาเั่งพิธีนี้ตั้งแต่ออกบวชสวยหาแต่อายุยีบเก้าก็ยังเรียนเลือในพบอะไรต่างๆตั้งหกปีเนะี่ยจนในที่สุดพอท่านมาสวยงาสามสิบห้าแล้วย้อนไปทีป่ต้นปีที่หนึ่งเนะี่ยเราเป็นอะไรเราเป็นเด็กเล็กๆอยู่ย้อนเป็นเด็กเล็กๆขึ้นไปเราเป็นอะไรก็เราออกมาจากท้องแม่แล้วก่อนจะเข้า เข้าไปอยู่ในท้องแม่ได้อย่างไรท่านก็ย้อนกลับคืนไปเรื่อยๆออกมาจากท้องแม่ได้ก็มีการผสมกันระหว่างเลือดกับไข่แล้วเลือดกับไข่มันผสมกันได้ยังไงก็มีบุคคลสองคนไปพบกันพบกันแล้วเกิดปฏิพัตจิตปฏิพัตเกิดรักชอบอันนั้นแสดงว่าเริ่มต้นที่สุดก็คือมีการกระทบระหว่างตา กับรูปดา ก, กระลูกกระทบกันแล้วเกิดอาการชอบแต่เชื่อเดิมความชอบไม่ชอบมันมีอยู่ในจิตอยู่แล้วแล้วความชอบที่มีเชื่อเดิมมีในจิตของทุกคนมันเกิดจากอะไรเกิดมาจากความสบายถ้าก็สืบไปเกิดมาความสบายแล้วความสบายมันก่อให้เกิดการชอบดังนั้นเพราะเราไปติดใจความสบาย เมื่อตดความสบายเราก็ไปเสกความสบายและความสบายที่เราเสกมันมีกำลังมาเป็นความชอบเมื่อไปดูอะไรเห็นอะไรได้ยินก็ชอบในสิ่งนั้นออกมาเป็นอนุสัยเมื่อตาคู้หนึ่งไปเห็นรูปอันหนึ่งก็เกิดความชอบขึ้นมาตามอนุสัยเดิมเรียกว่าอาสวะอ๋อเชื่อมันมาจากนั้นเองอทีนี้ถ้าสมมติว่าเห็นแล้วไม่ให้มันชอบได้ไหม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 อยู่ไม่ได้ก็แตกดับไปแล้วก็มัเริ่มต้นใหม่อ๋ออันนี้คือกระแสของการเปลี่ยนแปลงทางรูปถ้าเริ่มเห็นตรงนี้แล้วอันนั้นก็มาจัด ก, การความรู้สึกชอบแล้วมนุษย์ทุกคนสัตว์ทุกตัวก็จะไปอย่างนี้หมดอ่ะไม่มีใครไม่มีสามารถยกเว้นได้อันนี้มันกฎของธรรมชาติเป็นกฎของใจลักนั่นก็สืบไปถ้าไม่แม่นั่งสงบเสสสุขเหมือนเหมือนมื่อก่อนละ ท่านใช้ปัญญาพิจารณาย้อนขึ้นไปย้อนขึ้นไปแล้วจากการความชอบนี่ได้อย่างไรแล้วในขณะที่เราชอบอยู่ในพวกของคนชอบแล้วไม่ชอบเราชอบไม่ชอบก็ดับไปแล้วก็มาเกิดรื่องแบบนี้เราก็จทาให้เราเวียนว่าจะเกิดอยู่เนี่ยไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนชาติตรงนี้เองที่เป็นใช้ยานที่หนึ่งเรียกว่าปุเพนิว า, าสานุสิกยาถ้านลำดับไปปลืด้ดพอไปถึงจุดนี้ปับ๊บเหมือนกับ หนังชีวิตมันขึ้นมาทั้งม้วนหรือย้อนย้อนย้อนย้อนขึ้นไปตั้งแต่เกิดอ๋สัมภสัตทั้งหลายเกิดมาล้วนแต่ตกเป็นธาตุของความชอบและไม่ชอบต้อก็หมุนเวียนกันอย่างนี้แล้วก็สวยสุขส ว, สวยทุกเวียนกันมาสมมุติว่าในส่วนที่ชอบไปสวยสุขในทางเป็นเทวดาอินพรมพอมันหมดอำนาจทของความสมาธิความตั้งใจแนละ้วก็เวียนมาเป็นอ บ, บายุพูนเปรตอสุรกายนรก เวียนเนี่ยพอเปลี่ยนชั่วลกันโรกมันทุกข์มากอยากจะแสวงหางความสุขก็เขา ม, มาเป็นเทวดาอินผมเวียนอยู่นี่ยทั้งในรูปภพรูปภพทีนี้พวกที่มีวิธีภาะวะทางจิตสูงก็อยากทั้ ง, งออกทั้งสองอย่างทางกรรมคุณทั้งทั้งส่วนดีไม่ดีก็ออกมาบำเพ็ญฌานเขาเรียกว่าพาหมณ์นี้ออกมาจะครอบครัวมาบำเพ็ญฌานาศาสนาพราหมณ์คือเป็นศาสนาที่เกิดขึ้นครั้งแรกในโลกของมนุษย์ พราะคนหนีออกจากภพทั้งสองแล้วไปหารูภพนี่แหละก็ยังเป็นศาสนาพราหมณ์ก็ไปติดอยู่ในความสงบลิตเดชปฏิหารกับวนยิยายนี้ในที่สุดพระพิจน า, จาโออย่างนี้มันก็ไม่สามารถที่จะปลดเปลื่องออกจากภพทั้งสามได้มันติดอยู่ในจิตในใจของคนทุกคนถ้าอย่างนั้นทํำยังไงอ่มามันพิจานาะไหนๆเราก็เกิดมาเป็นผลพวร้องการเกิดมาหลายหมื่นหลายแสนชาติแล้วเนี่ย ก็มาเฝ้าดูตัวตรงนี้เอง ต, ตรงนี้เรียกว่าตัวยานปัญญาเกิดขึ้นยานปัญญาเกิดขึ้นท่านก็ตามไปดูว่าตัวชอบมันเกิดมาจากอะไระตัวคิดเกิดจากอะไรย้อนขึ้นไปอย่างเหมือนเราย้อนตัวคิดเกิดมาจากความเผลอความคิดชอบหรือไม่ชอบเกิดมาจากกันเผลอเผลอมาจากกันเผลอเผลอมาจากกัน ติดใจติดใจมันจากความพอใจความพอใจมันจะการสบายใจความสบายใจมาจากความสบายกายแต่เราก็จะเสพไปอยู่นี้บนคืออยู่นียแล้วความสบายกายมันคืออะไรอ่าท่านลืมจี้เข้าไปล้จี้เข้าไปความสบายกายมันคืออะไรความสบายกายบจิการเปลี่ยนแปลงของท่าสีดินนาํโรมไฟ ทางที่ส่วนที่เป็นธาตุสบายไม่สบายอยู่ในตัวมันเองธาตุที่ไม่สบายคือธาตุดินกับธาตุไฟธาตุที่ทําให้ไม่สบายคือธาตุทำให้สบายคือธาตุลมกับธาตุน้ําอ่ามันเริ่มเห็นแล้วธาตุลมธาตุน้ําเป็นธาตุทาให้เย็นธาตุดินธาตุไฟทําให้เกิดให้ร้อนตัวร้อนเป็นตัวเกิดเอาวน้ํากับลมเป็นตัวดับเอาน้ํากับลมไปดับไฟ แล้ไฟกันนเอเป็นตัวเกิดทั้งธาตุสีดิ่นน้ำหลงไฟเกิดมาจากภาวะอะไรเกิดมาจากภาวะเกิดเป็นตัวแมสอันหนึ่งที่มันมีอยู่ในจักรวาและตัวแมสนี้ก็ก่อให้เกิดตัวคลุกมูจรนของมันดิ่นน้ำหลงไฟแม้ตัวนี้ก็สร้างพลังขึ้นมาในการเปลี่ยนแปลงพลังการเปลี่ยนแปลงที่สมดุลแล้วมันก็ให้เกิดธาตุต่อมาคืออากาศธาตุวิญญาณธาตุเกิดพลัง ตอนแรกพลังอการเปลดเปนแลงโดยธรรมชาติคือกฎใจรักอันนี้ตามให้ทันนะให้กวดใจรักแล้วก็ขึ้นมาเป็นตัวเกิดและดับท่านก็ย้อนขึ้นไปจากช่วงตั้งแต่หกโมงเย็นไปถึงเที่ยงคืนเนี่ยท่านเห็นวงจรของการเกิดทั้งหมดที่เราเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณคือญาณได้เรียรู้ความเป็นมาทั้งหมดของชีวิต ท่านก็ทนไปทนปาทนไป ท, น, ไป ท, น, ไปทนมาหลายรอบมากจากนกระทั่งเห็นแจ่มชัดเจนแล้วที่ที่ตัวเกิดดับที่มันเริ่มต้นให้เกิดจิตเนี่ยมันเริ่มต้นอย่างไรท่านก็ตามเข้าไปอีกหลังจากทบทนชํานาญแล้วตามเขาไปก็ไปเห็นภาวะของสองตัวคือภาวะที่เป็น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 แต่ทีนี้หลักของไตรลักษณ์มันก็พัฒนาตัวรูปตัวนี้ก็อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเป็นกฎของในจังเปลี่ยนแปลงเป็นในทางรู้สึกเป็นพลังงานการเปลี่ยนแปลงเราไม่รู้ต่อการเปลี่ยนแปลงที่มันภาวะที่ตึงและย่อนภาวะหนักและเบาภาวะที่หยาบละเอียดภาวะที่ร้อนที่เย็น เราเรยมาสมมื่อภาวะที่สุขที่ทุกเราไม่รู้ต่อทานพลังงานอันนี้เราก็ไปสําคัญในภาวะที่หย่อนที่ดับที่สบายว่าเป็นเราภาวะนี้เรียกว่าภาวะของอานิจังในการเปลี่ยนแปลงมีการตึงการหยอ่อนตึงการหยอ่อนการร้องการเย็นสลับกันอย่างเนี้ยตลอดเราก็ไปยึดอันนี้เออผ่อนคลายรู้สึกสบายเราก็ไปยึดว่าเออเราเสิแล้วก็เป็นเราไปเห็นจิตมันพลิกเกิดดับกเกิดดับอย่าี้ไปเห็นอยู่แค่นี้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 ด้วยกฎของใตรักมันก็หมุนกลับมาเกิดใหม่นี่เรียกว่าพบกันจุติคือการเคลื่อนพอขึ้นมาตรงนี้กอหายไปตรงนี้เ็าเรียกจุติคือเคลื่อนหายไปพอมากดปรากฏใหม่ถ้กากดขออนิจจังเขาเรียกอุบะท์ถ้กากดขออนิจจังอีกมันก็มาเป็นเคลื่อนมาเป็นจุติท่านไปเห็นการเคลื่อน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 แล้วก็พอตายเคลื่อนจากความชอบใจมันก็เคลนมาเป็นความไม่ชอบใจด้วยความพอใจชอบใจเราทนไม่ได้แล้วก็เสาะหาความชอบใจก็เคลื่อนมาเป็นตัวชอบใจใหม่จุติและอุบัติการมาเป็นความตึงความหย่อนความชอบใจและความไม่ชอบใจความรักความชังพัฒนามาเรื่อยๆเลยโดยที่เรานี้ไม่เห็นต้นต่อว่าไอ้ลักษณะอย่างเนี้มันมาอย่างไร โอ้มาเห็นญาณที่สองอ๋อตัวนี้เองเป็นต้นตอแห่งการเกิดทั้งหมดในญาณนี้ท่านบอกวา่าพระพุทธเจ้าได้เห็นทั้งโลกจักรวาลเลยเห็นมนุษย์เห็นภูมิเห็นเทวดาดางสมุติภาษาของทาง่าน <c oughs> เพื่อจะให้เป็นลูกก็ทําทให้คนจําได้ว่าคําว่าจุติและอุบัติมันคืออย่างนี้นะคําว่าปุเพนิวายาเนียย้อนกลับคืนไปต้นปฐมมลมกลับของโลกมันเป็นมาอย่างนี้นะ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 ตรงนี้คือเรียกว่านามอ๋อนามตัวนี้มันไม่จําเป็นจะว่าเข้าไปเสกไปชอบในสิ่งที่เราตึงหรือหย่อนเข้าไปชอบหรือไม่ชอบในส่วนที่ตึงเข้าไปชอบในส่วนที่หย่อนเข้าไปไม่ชอบในส่วนที่ตึงเข้าไปอติดใจในส่วนที่สบายหรือไม่ติดใจในส่วนที่ไม่สบายอ๋อแยกตัวนิ้วตัวรู้ตัวนี้อ๋อเรียกว่านาม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 ตัที่เกิดเราม่เรียกว่าอุบัติแล้วเรียกว่าสมูทยัยการเกิดการดับของภาวะที่เป็นพลังงานจึ่งไม่เรียกว่าจุติและอุบัติเราม่เรียกว่าสมูทัยและนิโรธอ่าตรงนี้ท่านจับเหตุได้เลยแล้วพิจารณาเรื่องสมูทัยนิโรธต่อกันมาท่านก็เกิดปฏิสุบติขึ้นมาเป็นสมูทยัยแล้วการตรงข้ามกับมันเป็นนิโรธเหมือนกับจุติเทียนขึ้นมา แสงของเทียนกับวัตถุชนิดหนึ่งต่างกันวัตถุนี้เป็นแมชแต่แสงของเทียนเป็นพลังงานความร้อนที่ถูกสลายมาดะนั้นการดับแสงเทียนกับการหายไปกับวัตถุสิ่งนี้มันยังคนละเรื่องกันการหายไปวัตถุเป็นการเคลื่อนแต่การหายไปของแสงเทียนที่ดับมันคือเสมือนนิโรธการเกิดขึ้นสมูทัยเป็นแสงไฟดวงไฟ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 ท่านก็ทวนไปทวนมาอ๋อมั่นใจว่าวิธีการเอาอาสวะกิเลสออกต้องทําอย่างนี้เพราะอาสวะเป็นรูปแต่เมื่อแยกตัวพลังงานล้นออกมามันเป็นน้าการชิ่นอาสวะก็เกิดด้วยว่าอาสวะขยันอยางที่สามที่เกิดขึ้นนี่จากการดึงเหตุจากต้นที่สุดไปเนี่ยมาถึงจุดเนี่ยในวันเดือนหกขึ้นสิบห้าค่ำเราก็มีบุคคลผู้รู้ สมบูรณ์ที่สุดขึ้นมาด้วยว่าสมาสัมพุท ธ, ธาจากการสืบสาวต้นสายไปเหตุไปเรื่องอย่างเงี้ยมาท่านกระทบทวนละทีนี้ใช้เวลากทบถวนกฎเกณฑ์นี้เป็นเวลาเจ็ดวันเร็วว่าสวิวมุติสุขเจ็ดสั ป, ปดาห์ไม่ใช่เจ็ดไม่ใช่เจ็ดวันเจ็ดสั ป, ปดาห์แห่งและเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดวันนะแล้วก็ออกมาเป็นสวิมุติสี่สิบเก้าวัน หลังจากท่านได้พบความจริงท่านก็มานั่งทุบทวนเมื่อทุบทวนไปทุบทวนมาได้เห็นความผิดพลาดทั้งโลกเนะี่ยมันเป็นเพราะอย่างนี้แล้ในที่สุดยบห้าสี่สิบเก้าวันท่านก็บอกเรื่องนี้คงบอกใครไม่ได้เพราะมันมันไม่ใช่เรื่องคนจะมานั่งเพราะมันคนเท่าโลกเป็นไปนแบบนั้นหมดจะบอกใครใครจะไปเชื่อพอพระองค์คิดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเบอกว่ามี พรมตนหนึ่งที่เคยเป็นสหายกันมาหลายภบหลายชาติเนี่ยรู้ใจรู้ใจพูดพุทธองค์ว่าโอ้การดำหลีอย่างนี้ของสมณะรุปนี้ที่เข้าถึงภาวะนี้ไม่ถูกจะทำให้มนุษย์ทั้งหลายที่มีคุณสมบัติมีคุณงามความดีมาพร้อมไปบาเพ็ญมานานเนี่ยก็จะขาดโอกาสในการรู้เรื่องนี้ท่านก็เลยเข้าไปหาแล้วก็บอกว่า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 เราก็เลยเอาชื่อของพรมคนนี้มาเป็นตัวตั้งทุกครั้งเมื่อมีการแสดงธรรมว่าพรมมาจะโรกาธิปติสัมปติท้าสามบดีพรมซึ่งเป็นอธิบดี <c oughs> ในโลกทั้งสิ้นนะได้รับทราบเจตนาและการปริวิตกของเจ้าชายชิตาตะเกิบเรื่องนี้ว่าจะไม่เผยแพร่ในความจริงอันนี้ เป็นเหตุให้สัมพสัตว์ในโลกที่มีโอกาสจะรู้เรื่องนี้ต้องชิบหายไปดังนั้นขอให้ท่านได้ชันใจงว่ากัดอัญชลีทำอัญชลียกมือเข้าไปขออันทิวลังดุยพอ น, นันประเสริฐอาญาจัตถาสันติฐาอาญาจัตถาขอประนุการขอร้องสันติฐาสตตาปรัชชะ ว่าสัตว์ในโลกที่มีธุลีในดวงตาเบาบางยังมีอยู่สาติกาเทเสตุขอให้ท่านจงแสดงธรรมังด้วยอาศัยอนุกรรมปดมังประชังสัพสัตความอวาเอื้ออินดูในสัพสัตเหล่านั้นอนุกรรมปังนะแล้วขอให้จงบอกเรื่องนี้ให้แก่สัพสัตเหล่านั้น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 ทิปติเทา้าสามพอดิพมที่เป็นใหญ่ในโลกลงมาจากโลกลงมาสู่โลกนี้แล้วพนมมือไหว้ขอร้องให้เจ้าชายจีธาตที่บทเป็นสมณะเรียกว่าสมณะโคดมให้อาศัยความเอื้ออินดีกับสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีทุลีในดวงตาเบาบางขอให้แสดงความจริงเรื่องนี้เรื่องนี้ก็จึงเกิดขึ้น ถ้าหาวท่านตัดสินใจไม่แสดงธรรมเรื่องนี้ตั้งแต่นั้นนะเราทั้งหลายก็มาคงมาได้มานั่งทำมานั่งศึกษากันอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่เราจะมาทำการเล่นเล่นหงหงผ่านไปวันวั น, นมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากของบุคคลคนหนึ่งที่กว่าจะเกิดขึ้นแต่ละยุคเนีะต้องอาศัยเวลาหลายพันปีแล้วบางทีเป็นหมืน่นหมืน่นปีซึ่งเราจะได้พบอันนั้นเอง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 ฟังอะไรไม่เข้าใจไม่ถูกใจก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนอาจารย์นี้ไปอาจารย์นู้น ôn, เปลี่ยนลทัทธินี้เปลนไปเรื่อยๆตัวที่เรายังไม่ได้ฟังความจริงที่แท้จริงว่ามันเป็นอย่างไรอันไหนมาถูกใจเราแล้วก็ตามไปอันไหนไม่ถูกใจเราก็เลิกก็จะเปลี่ยนอย่างนี้แล้วก็ตกเป็นธาตุความพอใจไม่พอใจถูกใจไม่ถูกใจชอบไม่ชอบก็เปลี่ยนไปไม่เคยจริงใจกับเรื่องเหล่านี้อย่างจริงจังนะ ดังนั้นมันถือเวลาแล้วที่เรือชีวิตเราเหลืออยู่กันไม่มากคนละส0มสิบห้าสิบสี่สิบยี่สิบนะเราก็ควรที่จะตั้งใจศึกษาเรื่องนี้ถึงแม้ว่ามันไม่ทะลุปุ่มวันนี้พรุ่งนี้ปีนี้ปีหน้าก็ให้พยายามไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีวันของมันที่มันจะปรากฏและในขณะเดียวกันที่เราสแสวงหาเรื่องนี้เราจะต้องรู้ต้นสายปลายเหตุที่ทาให้เกิดเรื่องนี อย่างชัดเจนก่อนอย่างที่เราลำดับกันมาสามสองสามวันเนี่ยว่ามันมาอย่างเนี้ยเหตุมาอย่างเนี้ยแต่เราก็ยังทําได้บ้างมาได้บ้างแต่เราก็มีความพยายามเพราะฉะนั้นความพยายามอย่างเดียวไม่พอเราจะต้องใช้ปัญญาด้วยนั่งปฏิบัติแทนที่จะมั่งเสพสุขจนง่วงจนเงาจนเบื่อจนเบือทําไมเราไม่ตั้งปัญหาถามตัวเองตั้งปัญญาขึ้นมา ทำไมฉันต้องเสกทำไมฉันต้องชอบทำไมฉันต้องเบื่อทำไมทำไมหาคําตอบไปเรื่อยๆแล้วอันไหนตอบได้ก็ที่แปอันไหนตอบมาได้ก็อ่ะอันนี้ก็จะเป็นคิดปรุงแต่งปูดหัวอีกแล้วทีนี้ทํำยังไงอเพราะว่าปัญญามันไม่พร้อมจะเกิดถ้าปัญญาเกิดหมายควาะว่าเราตั้งคําถามขึ้นมาคําไหนตอบได้คํานั้นมันก็จบหายสงสัย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 เพราตอบเพราะอย่างนั้นอย่างนั้ น, น, นแล้วตอบในความคิดแล้วไอ้ความหนักที่ดำรงอยู่นี่มันหายไปได้ไหมมันไม่ได้มันขาดอะไรขาดความเพียนพยายามความเพียนพยายามเพียงแต่พลิกและขยับนี่คือความเพียนละเหตุนั้นเสียละเหตุทั้งความหนักก็คือใช้กฎอนิจจมันเดิม ความหนักเกิดขึ้นเพราะกฎอนิจจงและใช้กฎอนิจจงเข้าไปแก้มันเกิดที่ไหนต้องดับที่นั้นมันเกิดเพราะอนิจจงก็เอาอนิจจ์เข้าไปแก้แต่เกิดเพราะอนิจจงด้วยกฎของไตรลักเราจะต้องเปลี่ยนอนิจจ์ในกฎไตรลัก์ให้เป็นกฎของไตรสิขาด้วยการเราเป็นผู้เข้าไปเปลี่ยนเพราะการเปลี่ยนแปลงมันมีข้อมันเองอยู่แล้ว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 มันก็ไม่ได้เบาอย่างที่เราต้องการจะให้มันเบาอย่างนึงชั่วโมงมันไม่ได้พอไม่ถึงสองนาทีมันก็เปลี่ยนมาเป็นหนักอีกแล้วมันก็เป็นไปตามกฎของมันการที่เราเข้าไปแก้กฎหรือกฎแก้กฎหรือกฎของอนจิจัานี้จนชํานาญมันก็ขอให้เกิดทักษะเราก็เห็นอ๋ออนิจังที่มันเปลี่ยนเข้ามาเองมันเท่าเปลี่ยนเป็นทุกข์ังคือเปลี่ยนเป็นหนักแต่พอเรามีสติมีตัวรู้เข้าไปเปลี่ยนตัวหนัก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 แล้วความตื่นรู้ความแยบคายด้วยกันตามรู้เหล่านี้ยังไม่พอก็ปรับให้มันพอก็คือหลักบทเนี่ยใช้มาแก้ระบบที่ความรู้สึกตัวไม่ใช้ระบบความคิดถ้าคืนไปใช้ระบบความคิดมันก็จะสร้างสมุทัยตัวใหม่ขึ้นมาอีกนะง่นั่นเองในการปฏิบัติ ถ้าหากว่าเรามีองค์ความรู้อย่างนี้มันก็สามารถที่จะเห็นแจ้งชัดเจนได้การมีองค์ทั้งองค์ความรู้และธรรมได้เรียกว่าวิชาเจารณะสัมปันโน<ด>นั้นเวลาสวดในองคุณของพุทธเจ้าเราเริ่มต้นด้วยสัมมาสัมพุทโธ ว, วิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิถูไปตามลำดับว่าในเมื่อเราจะ ให้เข้าใจอย่างถูกต้องแล้วต้องมีวิชาจารนสัมปันโนแล้ววิชาจารนสัมปันโตทำด้วยความถูกต้องแล้วก็สอดคล้องกันเป็นสุขโตแล้วก็รู้ชัดแจ้งว่าอะไรเป็นเรียกว่าโลกาวิทูมันก็จะระดับไปองคุณของตัวรู้ะจะนั้นในลักษณะนี้อย่าให้มันเป็นเพียง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 มีอคติมีความชอบไม่ชอบเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงคนในระดับนั้นเรียกว่าวุธิภาวะทางปัญญาวุธิภาวะทางจิตไม่ถึงเราก็ไม่สามารถจะเข้าถึงสภาวะอันนี้ก็ต้องใช้วิบากกรรมไปต้องความชอบไม่ชอบความถูกความผิดเป็นเราเป็นเขาไปเรื่อยๆนะดังนั้นเองตรงนี้ถ้าหากว่าเรามีศรัทธาและมีความเพียรอยู่มันสามารถจะทได้ และสรัทธาความเพียร น, นี้องค์ประกอบที่สําคัญคือต้องมีปัญญาปัญญาในรัศดาอิภาคประฏิบัติคืออย่างไรคือตั้งโจทย์ขึ้นมาแล้วก็หาคําตอบโจทย์ใดที่หาคําตอบไม่ได้เรามีกระะารยาณมิตรบางทีเราไม่สามารถจะหาคําตอบด้วยตนเองก็มีกระะารยานมิตรเรียกว่าครูบาอาจารย์มาถาม ถามแล้วยังเอาไปทําไม่ได้แสดงว่าอุฒิภาวะทางปัญญาเรายัางไปไม่ถึงเราก็กลับมาหาโจทย์เดิมที่เราทําได้ก่อนนะเหมือนกับเราเรียนเลขบวกลบได้แต่พอขึ้นไปคูณไปหารเรางงเราก็กลับมาทําบวกลบอนะทําบวกลบแล้วมันก็ยังไม่อย่าก็ทําบ่อยๆ บ, บวกออกมาเป็ี่หนึ่งบวกหนึ่งหัวหนึ่งสองบวกสองหัวนึ่งลบทำโจทยนี้ชํานาญก่อน เรียนบวกลบชนานาญพอเรียนบวกลบชำนาญก็เปเรียนคูณกะหารบวกกับลบ ก, ก็คูนกหารก็เป็นหลักการอเดียวกันอ่ะบวกเป็นเกิดลบเป็นดับคูณเป็นเกิดหารเป็นดับกฎอันนี้มันจะกลายเป็นหลักทฤษฎีทั้งหมดในทุกๆุกศาสตร์หมดเลยเรื่องการเกิดดับแค่สองอย่างเพราะฉนั้นเองเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยความสงสัยแล้วก็จะลดลงลดลงแล้วก็มุ่งมั่นต่อสิ่งที่เราเห็นเฉพาะหน้า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 เรียกว่าการเกิดดับที่ประกอบด้วยอวิชชาแต่การเกิดดับที่ประกอบด้วยด้วยหลักการด้วยความเข้าใจถูกต้องเรียกว่าเป็นการเกิดดับที่ประกอบด้วยวิชาเราก็มาสร้างตัววิชาขึ้นวิชาตัวแรกที่สุดี่เป็นพักปฏิบัติก็คือตัวรู้ญาณังอุทัปฏิเมื่อญาณังอุทัมันรู้เห็นชัดเจน คือความเชื่อมโยงของเหตุและผละปัญญาอุทาปฏิเกิดแล้วก็วิชาอุทาปฏิเกิดการมีหลักการเข้ามารับรองในสิ่งที่เราคิดไม่ใช่มั่วนะถเราคิดไปแล้วหาหลักการรับรองมาได้แล้วก็มั่วนั้นไม่เป็นโลพุทธะปัญญาละมันก็กลายเป็นโลกิยาปัญญาไปก่ให้เป็นสมุทยัยพอเจอโลกิอุละปัญญาเป็นนิโรธ ถ้าเกินกําลังเราคืนคิดต่อเป็นสมุทยัยถ้าย้อนกลับมาตั้งในส่วนที่เราอยู่ในอํานาจที่เข้าใจได้เป็นนิโรดก็ทนอยู่อย่างเนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้ดังนั้นอยากจะไปให้เรียบเรียงการชายลูกของเราเนี่ยที่มันลุกนั่งย่างเดินแต่ละจงงังหวัดดูมันแบบสบายๆอย่าไปจ้องหาความจริงอะไรมันมากมายดูมันเท่าที่เราเข้าใจได้ อันไหนเข้าใจไม่ได้กลับมาตรวจสอบทษทบทวนของเดิมเช่นเมื่อกี้เราลุกขึ้นปั๊บเราถามว่าลุกขึ้นมาได้ไงเพราะอะไรอ่ะกลับลงไปนั่งใหม่แล้วก็ลุกใหม่ออลุกขึ้นมาด้วยอาการอย่างนี้เราก็จะเห็นลูกทําหน้าที่อย่างไรนามทําหน้าที่อย่างไรตัวรู้ทําหน้าที่อย่างไรพอได้ตัวรู้ตรงนี้ปั๊บ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 อันนั้นเราจึงมีกฎมีระเบียบอะไรในการปฏิบัติร่วมกันเพื่อจะให้ไม่รบกวนเวลาของกันและกันบางคนก็ความตั้งใจจะพิจารณาเรื่องนี้กำลังพิสูจน์แล้วกํวาลังทําเรื่องนี้อยู่บางคนไม่รู้ก็เข้าไปชวนพูดชวนคุยหรือไปรบกวนปั๊บภาวะการที่กําลังทํามันก็หายไปนั้นในช่วงที่เราปฏิบัติเราจึงแยกอยู่ที่ใครที่มันของใคร ข, ของมันไปเรื่อยๆ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 เขาดูไปรนยการตรวจสอบอสบายคือเป็นกฎของธรรมชาติมันเกิดจากการดับเช่นเราการเปลี่ยนท่ามันจะสบายมันเป็นกฎของธรรมชาติมันไม่ใช่เราแต่ถ้าเราไม่มีการตรวจสอบเราคิดว่าไอ้สบายมันเป็นเราเพราะมันเป็นเราปั๊บเราก็อยากเพิ่มความสบายอยากจะนั่งนานๆอยากจะเดินนานๆอยากจะนอนนานๆเพราะเราไปเห็นว่ามันเป็นของของเราเราก็ไปยึดด้วยอํานาจตัาหาอุปทานของเราอ๋อมันเกิดมาจากความที่เผลอ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 เรทุกข์ขังก็ดูทุกต่อไปทุกคืออะไรอทุกคือภาวะที่ไม่สบายทุกเป็นอาการอย่างหนึ่งใช่ไหมทุกคือความไม่สบายเป็นเราหรือเป็นอะไรก็ออสอบมันไปอ๋อไม่ใช่เราเมื่อไม่ใช่เราแล้ว เ, เราจะไปชังมันไหมเราจะไปเบื่อมันไหมเราจะไปบีบบังคับมันไหมไม่ถูกเมื่อมันไม่ใช่เรามันเป็นอาการอย่างหนึ่งที่ เป็นความเปลี่ยนแปลงที่สืบเนื่องมาจากความสบายเมื่อมันเปลี่ยนมาเป็นความไม่สบายมันไม่เที่ยงถ้าเราจะเปลี่ยนไปเราก็รู้ว่าเมื่อเราเปลี่ยนไปแล้วความไม่สบายตรงนี้มันจะเปลี่ยนความสบายอย่างไรอ๋อมันเกิดความไม่สบายมันเกิดทำให้มันหายไปเรยกว่าความไม่สบายมันก็ดับแการดับของความไม่สบายมันเป็นความสบายเอาความสบายมาเป็นผลของการดับของความไม่สบายนั่นเอง มันจค่อยลาดับไปลำไปเราจะเริ่มเห็นอาการของความสบายไม่สบายไม่ใช่เราแต่มันเป็นอาการอย่างหนึ่งที่เป็นกฎเป็นกติกาของการธรรมชาติที่มันมีมาอย่างนี้ตั้งใจปฐมบุมกับเติมต้นลงมันก็เป็นอย่างนี้แต่เราเป็นมนุษย์เล็กๆ เ, เป็นผงทุรีของจักรวาลเนี่ยได้มารับรู้สิ่งนี้เราก็จะเรียนรู้มันอย่างคารกอย่างบูชา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 อาการมารู้อย่างนี้มาเห็นเย็นมาเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ทำได้ด้วยแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าตัวรู้ของเราที่มันถอดถอนความสำคัญมั่นหมายในสุนทรภูตว่าเป็นเราเนี่ยมันเห็นเป็นเพียงตัวรู้สึกที่เกิดจากกฎของไตรลักษเราก็ไปเห็นกฎของไตรลักว่าอันนี้มันกฎของไตรลักษณกันเกิดดับเท่านั้นมันไม่ใช่เราเราก็จะถอน ถอนความสาคัญมั่นหมายอาการของสบายไม่สบายออกมาบางครั้งเราเกิดความรู้สึกไม่สบายเราก็ไม่ได้งูนิดบางครั้งเราเกิดความไม่สบายเราก็ไม่ได้เสพติดใครมาพูดให้เราไม่สบายใจเราก็ไม่ได้นึกเกียดชังคนคนนั้นแต่เรามาดูอาการเกิดขึ้นไม่พอใจในเราและอาการเกิดขึ้นของการดักไปความไม่พอใจในเราแทนที่เราจะไปนึกเอาอีกรูปหนึ่งเข้ามา พอไปนึกถึงคนที่ทําให้เราไม่พอใจมันก็สร้างลูกคนใหม่และว่านามารูกจึงเกิดความไม่พอใจแล้วไปยึดลูกคนนั้นว่าเป็นเขาพ่อมันระมีเราพ่ออะไรพะอํานาจของความเผลอคืออวิชชาเพราะงั้นเราชักซ้อมเรื่องความรู้ที่เกิดโดยรู้ตัวและความสบายที่เกิดความรู้ด้วยความรู้ตัวและความสบายที่เกิดโดยไม่รู้ตัวความไม่สบายที่เกิดขึ้นโดยรู้ตัวความไม่สบายที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว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 อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราจำอาการของเกิดมันเป็นอย่างนี้ดับมันเป็นอย่างนี้เกิดมันก็ให้เกิดนี้ดับมันก็ให้เกิดนี้ทบทวนตัวเนี้ยให้ ช, นชำนิชานาญแล้วมันก็จะบูรณาการไปทุกเรื่องทุกหลักของการเปลี่ยนแปลงเราก็จะไม่พวงงงวยกับเรื่องที่เราเข้าไปค่อยๆลำดับไปลาดับไปลนนักษณะนี้ตัวยานปัญญาของเรานเน้อค่อยพัฒนาขึ้นทีละนิดทีละนิดทีละนิด ถ้าหากพวเราอยู่ในลักษณะเงี้ยตัวมรกตัวผลอะไรต่างเราไม่ต้องปรารถนาแต่เราเดินอยู่ในเส้นทางของเขาแล้วเดินไปเส้นทางของมรกและผลไปเรื่อยๆแล้วตัวอยากที่มันพัฒนาขึ้นตนามระดับความทะยานยากเป็นนั้นเป็นนี้มันค่อยๆหมดหายไปเพราะต้นต่อรากเงอมันถูกตัด ราก ง, งับรุดตัดต้นตอนจะหิวเฉาความทยายนอยากความเหยียดไปนั่นไปนี่มันก็จะเฉาไปแล้วกลับมาเป็นตัวรู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นองค์ปัญญาและญาณปัญญาของเราก็เติบโตขึ้นเรื่อยเรยมันก็จะไปตัดตอรากรุดที่เรียกว่าอาสวะขยายานด้วยตัวของมันเองซึ่งเรื่องเหล่าเนี้ยมันควรที่จะดํางได้ทบทวนตรวจสอบแล้วก็ทําให้เกิดความชินิชํานาญบ่อยๆเพราะมัน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 ไม่เผอเพลงเผอช่องเผอ เ, เ, เ, เ, เอาว่าเป็นเราเป็นเขาว่าเป็นเพียงอาการของการปฏิกิริยาของการเกิดดับของกฎตะไรลัคนั้นเราก็จะเรียนรู้ด้วยนี้ด้วยปัญญาด้วยความผ่อนคลายและด้วยความเข้าใจแต่ถ้าคนไหนที่มีอำนาจของความอยากรุนแรงอยู่อยากให้มันเป็นอยากให้มันเร็วอยากให้มันรู้อยากให้มันเห็นก็จะเกิดสร้างความทุกตัวใหม่ขึ้นมาเรียกว่าสมูทยัย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 มีความรักที่จะรู้ที่จะทำเรื่องนี้เป็นชีวิตจิตใจเอาไว้ก่อนมันจะยากขนาไหนเราค่อยทำไปทีละนิดๆ เ, เมื่อเรามาเรียนต้นตอของความรู้ที่เป็นโลกุตละปัญญาอย่างนี้ให้ชำนิชำนานแล้วเรื่องอื่นมันก็จะไม่ยากไม่ยากเพราะต้นตอของความยุ่งยากมันอยู่ตรงนี้ที่เราไม่เข้าใจนะดังนั้นเองวันนี้หลังจากที่เราทำภารกิจ ต, ตรงนั้นแล้วก็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 ชั่วโมงต่อชั่วโมงวันต่อวันเดือนต่อเดือนปีต่อปีมันก็ํานานขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดแล้วเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากต่อไปสําหรับบุคคลที่มุ่งมั่นแต่สําหรับคนที่ยังมีความลังเลสงสัยศรัทธาไม่เต็มเปี่ยมก็จะต้องเวียนว่ายแต่เกิดในเรื่องอื่นต่อไปจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าอะไรเป็นอะไรแต่สําหรับคนมีศรัทธาและมีปัญญา ก็จับต้นชนไปถูกเรื่องนี้มันต้องเริ่มต้นอย่างนี้แล้วทบทวนจับหลักตรงนี้ให้ได้แล้เราก็จะสบายนะเพราะในช่วงเช้าวันนี้คิดว่าพวกเราจะเข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อนําเสนอแล้วก็จะมีการตรวจสอบภาคเช้าเป็นลักษณะทดสอบว่าเข้าใจได้ไหมตั้งแต่ทาอาหารแล้วไปถึงช่วงเพลงอแล้วมั่นใจว่าทําได้แล้วช่วงเพลงหลังจากช่วงเพลงแล้วลองไปทำด้วยตัวเอ ง, เองดู